การทำบุญทำทานเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราได้รับการสั่งสอนมาตั้งแต่เกิดแล้วชาวพุทธนี้จะรู้จักเรื่องของการทำบุญทำทานกันแต่ยังอาจจะไม่ทราบรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับการทำบุญทำทานการทำบุญนี้เป็นผล บุญนี้แปลว่าผลเป็นผลของของเหตุคือทานนะทานนี้เป็นเหตุเป็นการกระทำพอทําแล้วก็จะเกิดผลคือบุญขึ้นมาในใจทานแปลว่าการให้ให้สิ่งเข้าสิ่งของต่างๆที่เรามีแก่ผู้อื่นพอเราให้เราก็เรียกว่าทานได้ทําทาน พอเราทำทานให้สิ่งของหรือให้ความสุขจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้รับผู้รับก็จะได้รับความสุขเราผู้ให้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาในใจความสุขใจนี้คือบุญแปบลบว่าบุญความสุขใจนี้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็เรียกว่าบุญ พอเวลาที่ร่างกายตายไปความสุขใจที่อยู่ในใจก็จะเป็นสวรรค์เรียกว่าสวรรค์ตอนนั้นไม่มีร่างกายมีแต่ดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่มีบุญก็เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขก็คือดวงวิญญาณของเทพทั้งหลาย นี่คือเรื่องของทานคือการให้แต่เรามักจะพูดแทนกันทำบุญทำทานทำบุญก็ได้ทำทานก็ได้ความหมายคืออันเดียวกันมีการเสียสละแบ่งปันพอมีการเสียสละแบ่งปัน ผู้ที่เสียสละแบ่งปันก็จะมีความรู้สึกมีความสุขขึ้นมาความสุขที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันก็คือบุญการเสียสละแบ่งปันก็เรียกว่าทานแต่สังคมบางทีไปแปลความหมายว่าถ้าให้กับพระนี้เรียกว่าทําบุญถ้าให้กับ ผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระเรียกว่าทาทานนะอันนี้อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ให้กับพระหรือให้กับผู้ไม่ใช่เป็นพระก็เรียกว่าทานเหมือนกันผลก็คือบุญเหมือนกันให้กับพระก็ได้บุญให้กับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระก็ได้บุญเช่นให้กับพ่อกับแม่นี่ก็ได้บุญ ให้กับผู้ยากไร้ก็ได้บุญให้กับขอทานนี่ก็ได้บุญยันเราต้องเข้าใจว่าคำว่าทานกับบุญนี่เป็นสองความหมายทานเป็นเหตุบุญเป็นผลเราให้ทานแล้วเราก็จะได้บุญได้ความสุขใจขึ้นมา ไม่ว่าใครจะเป็นผู้รับก็เป็นทานหมดเป็นการให้หมดให้พระก็เป็นการให้เนี่ยเป็นทานให้กับผู้คองเรือนก็เป็นการให้แต่ผลที่ได้รับก็เป็นบุญเหมือนกันให้กับพระก็ได้บุญให้กับคารวาะผู้คองเรือนก็ได้บุญ หรือแม้แต่ให้กับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญเช่นเราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเราก็ได้บุญได้ความสุขใจหรือเราไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็มีความสุขใจหรือไปถ่ายชีวิตของโคของวัวเราก็ได้ความสุขใจ การกระทาเรียกว่าทานผลของการกระทาเรียกว่าบุญคือความสุขใจที่จะอยู่คู่กับใจไปเป็นเวลายาวนานอยู่ไปจนหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วบุญที่ได้ทำไว้ก็ยังติดอยู่ในใจที่จะทำให้ใจเป็นเทพเป็นสวรรค์ขึ้นมานี่คือ เรื่องของการทำบุญทำทานทานในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้สี่ลักษณะด้วยกันสี่แบบด้วยกันคือสิ่งที่เราจะให้กับผู้ได้นี้มีอยู่สี่อย่างอย่างที่เราให้กันทั่วไปนี้เรียกว่าวัตถุทานคือของที่เป็นวัตถุเช่นข้าวของเงินทอง ของต่างๆที่เมื่อกี้ญาติโยมเอามาถวายเนี่ยเป็นวัตถุทานเป็นเครื่องใช้ไม่สอยเป็น เ, เงินทองนี่เรียกว่าวัตถุทานอันนี้เป็นทานชนิดที่หนึ่งทานชนิดที่สองเรียกว่าวิทยาทานวิทยาแปลว่าวิชาความรู้ เช่นเราให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ยากไร้ต่อเด็กที่ไม่มีทุนเรียนหนังสือถ้าไม่ได้รับทุนจากเราเขาก็จะไม่ได้เรียนหนังสือเขาก็จะไม่ได้ความรู้พอเราให้ทุนส่งให้เขาไปเรียนหนังสือเขาก็จะได้เรียนรู้วิชาต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทาน ทานชนิดที่สามที่เราให้แก่ผู้อื่นได้ก็คืออภัยทานยกโทษให้อภัยเช่นเราไปปล่อยนกปล่อยปลาถ่ายชีวิตเขามีโทษถูกคนที่จับจะเอาไปฆ่ า, าไปแกงเราก็ไปถ่ายชีวิตของเขาด้วยการซื้อเขาจาก เจ้านายเจ้ากรรมนายเวรของเขาแล้วเราก็ปล่อยให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่ต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าอาภัยทานหรือเวลาที่เรามีเรื่องกับใครแล้วเราไม่ต้องการให้มันมีเวรมีกรรมกันเราก็ให้อภัยกับเขาไป เขาอาจจะทำอะไรสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับเราแต่เราไม่ไปจองเวรจองกรรมไม่ไปเอาคืนไม่ไปอาฆาตพยาบาทล้างแค้นให้อภัยเขาพอให้อภัยเขาแล้วใจเราก็จะเย็นจะสบายมีความสุขก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่ง บุญที่เกิดจากการให้อภัยถ้าไม่อภัยใจก็จะร้อนใจจะอาฆาตพยาบาทจะจองเวรจองกรรมบางทีถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับคิดว่าจะทำยังไงถึงจะล้างแค้นเขาได้แต่พอเราเปลี่ยนใจบอกไม่เอาดีกว่าล้างแค้นกันไปเดี๋ยวก็ต้องเขาก็ต้องกลับมาล้างแค้นเราอีก เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องยาวใหญ่โตขึ้นมาอาจจะถึงกับการฆ่าฟันกันและไม่ใช่แต่เฉพาะพบนี้ชาตินี้มันก็จะติดไปกับใจของเราพบหน้าชาติหน้าถ้าไปเจอกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็จะมีอาการอาคาตพยาบาทเกิดขึ้นทันที ถ้าเราให้อภัยเรื่องก็จบใจเราก็สงบใจเราก็เย็นอันนี้ก็เรียกว่าอาภัยทานอย่างหนึง่งคือการแผ่เมตตานี่เองสัพเพสัตตาเวลาหตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวนต่อกันและกันเถิดเราอย่าไปมีเวนกับสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามใครมีเรื่องมีราวกับเราขอเลิกลากันขอให้ลบล้างกันไปลืมกันไปหรือว่าเราเคยมีเรื่องโกรธกันขอให้เรามาเป็นมิตรกันดีกว่าเพราะการมีมิตรนี้มีสุขการมีศัตรูนี้มีแต่ทุกข์ อันนี้ก็ทานชนิดที่สเรียกว่าอาภัยทานทานชนิดที่สก็คือธรรมทานคือให้ธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเราพิมพ์หนังสือธรรมะแจกหรือถ้าเราไม่มีกําลังที่จะพิมพ์เองก็ร่วมบริจาคเวลามีใครเขาจะพิมพ์หนั ง, นงสือธรรมะแจก เราก็ร่วมบริจาคไปก็ได้หรือถ้าเราไม่มีเงินแต่เรามีหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วเข้าใจแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านซ้าอีกจะให้คนอื่นไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการให้ธรรมะเหมือนกันธรรมทานการให้ทั้งสี่อย่างนี้ มีการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ที่ดีที่สุดเพราะว่าธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดต่อจิตใจของสัตว์โลกเนี่ยเพราะมีธรรมะเท่านั้นที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะ ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายได้อย่างอื่นนี้ไม่สามารถทำได้ต่อให้เงินทองร้อยล้านผันล้านเงินทองนี้ก็ไม่สามารถไปกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้รับให้หมดไปได้ไม่สามารถไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดของผู้รับได้ วัตถุทานหรือวิทยาทานก็เช่นกันวิทยาทานถึงแม้จะให้ส่งให้ทุนเรียนจบด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ก็ยังร้องห่มร้องไห้ได้ยังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ยังทุกข์กับคนนั้นคนนี้ได้ตายไปก็ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกหรือให้อภัยก็เช่นเดียวกัน การให้อภัยก็ไม่ได้มากำจัดความยุก ค, ความทุกข์ที่เกิดจากเหตุอื่นให้หมดไปได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆยังไม่ได้ถูกกำจัดด้วยการให้อภัยทานนี่แต่ถ้ามีธรรมะนี่ถ้ารู้ว่าคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทาอะไรบ้างแล้วถ้าเราสามารถกระทาตามได้ ไม่นานความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราก็จะหายไปหมดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสรู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเรานี้เกิดจากอะไรนั่นเองต้นเหตุของความทุกข์ใจของพวกเราก็เกิดจากตัณหาความอยากที่มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่ากามตัณหา ความอยากในกามคุณห้ากามคุณห้าคืออะไรก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระที่เราใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมาสัมผัสมารับรู้นั่นเองถ้าจะดูรูปก็ต้องมีตาถ้าจะฟังเสียงก็ต้องมีหูถ้าจะจะดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกถ้าจะลิ้มรสก็ต้องมีลิ้น ถ้าจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสเช่นอากาศหนาวเย็นของนุ่มของแข็งก็ต้องมีร่างกายเป็นผู้รับสัมผัสสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่ากามคุณห้ามีอยู่ห้าชนิดรูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพะนี่คือความอยากที่พาให้พวกเรามาเกิดกัน ความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสว่าเวลาเราได้รูปเสียงกลิ่นรสที่เราอยากได้แล้วเกิดความสุขใจบางคนอุตสาห์เดินทางไปต่างประเทศไปเพื่อไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสที่ต่างประเทศอยู่ที่บ้านเรารูปเสียงกลิ่นรสมันจาเจมันซ้ำซากมันดูแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนกับเวลาได้ไปเสพ รูปเสียงกลิ่นรนที่ต่างประเทศอันนี้ก็เรียกว่าการเสพกามความอยากความอยากในการมคุณหา้าเรียกว่ากามตันหาความอยากนี้มันเลยพาให้เราต้องมามีร่างกายเราคือใจผู้รู้ผู้คิดที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทธพธได้ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วสิ่งที่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายของมนุษย์เนี่หรือของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีตาหูจมูกลิ้นกายผู้ที่ได้ร่างกายของมนุษย์คือผู้ที่พ้นจากบาปผู้ที่ยังได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นผู้ที่ยังไม่พ้นจากบาปที่ได้ทำเอาไว้มนุษย์กับเดรัจฉานต่างกันตรงนี้ ถ้าพ้นจากบาปแล้วเวลาได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ถ้ายังไม่พ้นจากบาปเวลาได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแต่ก็จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันสัตว์เดรัจฉานก็มีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลประเหมือนกับมนุษย์เหมือนกันทุกอย่างไม่ต่างกัน ต่างกันตรงที่ความสามารถนี้จะมากน้อยต่างกันมนุษย์นี้จะมีความสามารถที่จะหารูปเสียงเกิดลดผลถภาได้ง่ายกว่าได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานและปลอดภัยกว่าสัตว์เดรัจฉานนี้อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยถ้าอยู่ในปา่าต้องคอย ระมัดระวังตลอดเวลาเพราะจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ตัวอื่นได้การเป็นสัตว์เดรัจฉานสู้การเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่การจะมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องพ้นบาปก่อนคือถ้าได้ทำบาปก็ไปใช้บาปจนบาปที่ได้ทำไว้มันหมดอิทธิพลที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายแล้ว ใจก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จะยังจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังอยากจะมาเสพรูปเสียงกิริลดผลธรรมะนี่เองนี่คือความอยากชนิดที่หนึ่งความอยากในกามมขุนห้าเรียกว่ากามตันหาความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตันหาภาวะแปลว่า สถานภาพเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากให้มีคนเขาสรรเสริญยกย่องอยากเด่นอยากดังอะไรทำนองนี้เรียกว่าเป็นภาวะตันหาอยากได้เป็นในสิ่งที่เรายังไม่ได้เป็น อันนี้ชนิดที่สามเรียกว่าวิภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่เราไม่ต้องการคือไม่ต้องการสิ่งที่เราไม่อยากได้เช่นไม่อยากยากจนไม่อยากให้คนดูถูกดูแคลนเหยียดหยามไม่อยากทุกข์ยากลำบากไม่อยากที่จะ แก่ที่จะเจ็บที่จะตายเนี่ยไม่อยากพัดพาคจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักความอยากเหล่านี้มันเป็นตัวที่จะคอยนึ่งใจของเราให้ไปหานให้หนีจากสิ่งที่เราไม่อยากได้แล้วก็ให้เราไปหาสิ่งที่เราอยากได้มันก็จะพาให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อย กลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็มาทุกข์กับการมามีชีวิตอยู่ชีวิตของพวกเรานี้มีความทุกข์อยู่ทุกวันทุกบ้างทุกมากทุกน้อยส่วนใหญ่ทุกจะไม่มากเราจะไม่ค่อยรู้กันไม่ค่อยสังเกตจะไม่เห็นว่าวันนี้เราทุกข์แล้วใครพูดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ไม่สบายใจแนละ้ว ใครทำอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็ไม่สบายใจขับรถมานี่ใครปาดหน้าหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วทุกข์แล้วเพราะไม่เป็นไปตามความอยากของเราอยากให้ทุกคนขับรถเรียบร้อยเข้าลบฎจรจรพอมีคนมาขับผิดกฎหน่อยแซงซ้ายแซงขวาใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเพียงแต่มันทุกข์ไม่มากมันก็เลยอาจจะ ไม่ไม่รู้แต่มีเรื่องให้ทุกทั้งวันถ้าสังเกตจริงๆแนละ้วทุกกับคนนั่นทุกกับคนนี้ทุกกับดินฟ้าอากาศใช่มเช่นวันนี้จะไปข้างนอกฝนตกใจก็ไม่สบายแล้วไปทำอะไรก็ไม่สะดวกอยากให้ฝนหยุดนี่ก็คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยาก เมื่อมาเกิดก็จะต้องมาเจอิความทุกข์ต่างๆเหล่านี้แล้วเมื่อตายไปก็จะกลับมาเกิดใหม่อีกเพราะยังอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกยังอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากมีหน้ามีตาอะไรต่างๆเหล่านี้ เป็นตัวที่คอยกระตุ้นใจให้ไม่สงบทำให้ใจนี้ต้องกวลกระวายกระสับกระสายหงุดหงิดนำคาดใจพระพุทธเจ้าส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้ความอยากต่างๆเหล่านี้หมดไปสิ่งที่พระเจ้าทรงค้นพบก็คือทางสู่การดับทุกข์ ถ้ามีธรรมที่พระพุทธเจ้าสรงค้นพบเราก็จะมีเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆมาหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆมาหยุดการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆได้นี่คือธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุญ ธ, ธรรมะที่เป็นทางสู่การหลุดพน้นนี้จะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรู้ได้ด้วยตนเองจะต้องรอให้คนฉลาดสุดยอดของคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามาเกิดในโลกนี้สักครั้งหนึ่งแล้วก็มาค้นหา ทางสู่การหลุดพ้คนค้นหาเครื่องมือที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้าหลังจากที่มาเกิดแล้วพอโตเป็นหนุ่มก็ออกบวชหลังจากที่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชก็รู้ว่าต่อไป ร่างกายของพระ อ, องค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระ อ, องค์ก็ไม่อยากจะทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เลยไปอยู่แบบนักบวชเพราะได้ยินว่านักบวชเป็นผู้ที่รู้จักวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้ พอไปศึกษาก็ได้พบวิธีหยุดความทุกข์ได้ชั่วคราวด้วยการเข้าไปในสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตสงบจิตหยุดคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะหายไปแต่พอออกจากสมาธิมาพอไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย เดิไปคิดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ไม่มีใครรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิรู้แต่วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกในขณะที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นพระองค์เลยต้องค้นหาวิธีดับความทุกข์ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ก็ส่งคนพบว่าเพราะความคิดนั้นเองคิดถึงคนแก่คนเจ็บคนตายทีไรก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจก็ไม่สบายพอรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอความแก่ไม่ต้องจะต้องเจอความเจ็บจะต้องเจอความตายแต่ถ้า หยุดความอยากนี้ได้เพราะดูความจริงแล้วก็เห็นว่าอยากหรือไม่อยากร่างกายมันก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยากทุกข์ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์จะเอาอย่างไหนดีจะเอาทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าจะเอาไม่ทุกข์ก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองอยากไปอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอใจยอมรับความแก่ความเจ็บความตายว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องพบกันทุกคนแต่ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้ถ้ายอมยอมรับความจริงไม่ฝ่าฝืนไม่ต่อสู้ไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายานั่นเองใจก็สบาย แก่ก็สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สบายตายก็สบายนีอันนี้ก็ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบวิธีการดับความทุกข์ต่างๆต้องไปดับที่ความอยากต้องไปหยุดที่ความอยากพ่อองค์ก็เลยส่งค้นพบเครื่องมือสามชนิดด้วยกันที่เราจะเอามาใช้ในการหยุดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของพวกเราเครื่องมือชนิดที่หนึ่งเรียกว่าทานที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เครื่องมือชนิดที่สองเรียกว่าศีลการละเว้นจากการทําบาปเครื่องมือชนิดที่สเรียกว่าภาวนาการฝึกสมาธิฝึกปัญญาเรียกว่าภาวนาฝึกสมาธิคือสมถะภาวนา ฝึกปัญญาเรียกว่าวิปั ส, สนาภาวนาถ้ามีเครื่องมือสามชนิดนี้ก็จะสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้พอใจไม่มีความอยากแล้วต่อไปใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปและใจจะไม่ต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอีกต่อไป ถ้ากําจัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้การกําจัดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่ก็กําจัดด้วยขั้นขั้นที่หนึ่งคือทานเช่นเวลาที่เราอยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการใช้เงินทองเราก็เอาเงินทองที่จะไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสนี้ไปทําบุญทําทานแทนเช่นจะ ไปเที่ยวต่างประเทศสักเจวันซื้อกาจะซื้อทัวร์ล้ทัวร์บอกว่าห้าหมืน่นไปต่างประเทศไปเที่ยวไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้ามาได้ยินได้ฟังทำพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้เป็นความอยากถ้าไปเที่ยวไปทำตามความอยากความอยากมันจะไม่หมดนะมันจะกลับมาอยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากให้ความอยากมันหายไปอยากไปทำตามความอยากวิธีที่จะไม่ทำตามความอยากได้ก็ต้องเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนพอเอาเงินไปทำบุญเงินที่จะไปเที่ยวก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่ได้ไปเที่ยวความอยากเที่ยวก็ถูกกาจัดไปถูกงดไประงับไป นี่คือหน้าที่ของทานถ้าเราจะใช้เงินทองไปซื้อความสุขตามความอยากซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวก็ดีไปจัดงานเลี้ยงก็ดีไปจัดมหัศจรรย บ, บันเทิงอะไรก็ดีหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ดีของหรูหราราคาแพงๆก็ดี สิ่งพวกนี้มันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวมันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเพราะเมื่อซื้อแล้วมันจะติดมันจะต้องซื้ออยู่เรื่อยแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเรานี้ต้องวุ่นวายกับการหาเงินมาใช้ตามความอยากจะทำให้เราไม่มีเวลา ที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้นะฉั้นการทำทาง น, นี้มีประโยชน์หลายอย่างเบื้องต้นก็ตัดดือลดละความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายคือการมตัญหาไปได้ในระดับหนึ่งเลือกเที่ยวได้ถ้าไม่มีเงินเที่ยวมันก็ไปเที่ยวไม่ได้เลือกซื้อกระเป๋ารองเท้าของฟุ่มเฟือย ของแบรนด์เนมทั้งหลายเมื่อไม่มีเงินซื้อมันก็ซื้อไม่ได้ทุกครั้งอยากจะซื้อกระเป๋ารองเท้าที่มีแบรนด์เนมก็เอาไปทำบุญทำทานแทนเงินที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไม่มีความอยากมันก็จะหดไปเองเมื่อไม่ได้ตอบสนองความอยากความต้องการความอยากมันก็จะค่อยๆหายไป ต่อไปเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าก็จะรู้สึกเฉยเฉยเห็นโฆษณาทัวร์ไปเที่ยวประเทศนั้นประเทศนี้เห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าไม่ได้ทําตามความอยากมาความอยากก็เลยไม่มากดดันไม่มาคอยมายั่วไม่คอยมาชวนให้ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญที่ได้จากการทําทานนี้ก็ เป็นความสุขใจอิ่มใจด้วยทำให้ไม่หิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นถเหมือนตอนที่ไม่ได้ทำบุญทำทานถ้ายิ่งเอาเงินไปใช้กับการทาความอยากทางตาหูจมูกนิ้นกายความอยากมันกลับจะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆพอมันเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วมันติด เสพครั้งแรกมันพอเสพได้เสพครั้งแรกแล้วครั้งที่สองมันต้องเสพมากกว่าครั้งแรกมันถึงจะรู้มันถึงจะมีความรู้สึกถ้าเสพน้อยกว่าก็จะรู้สึกไม่พอถ้าเสพเท่าเดิมก็ยังไม่ไม่สุขเท่ากับเสพสองเท่านะพอได้เสพแล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้ ต้องคอยดิ้นลนุนหาเงินหาทองมาใช้กับความอยากต่างๆส่วนความสุขที่ได้จากการใช้ได้จากความอยากมันก็เดี๋ยวเดียวเหมือนควันไฟเวลาไปเที่ยวก็สุขพอกลับมาไม่กี่วันมันก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่ความทรงจําคิดทีไยก็ยิ่งทําให้อยากขึ้นมาอีกทําให้หิวขึ้นมาอีกไม่เหมือนกับ บุญที่เราทำนะบุญที่ทำนี้ไม่ได้ทำให้เราหิวให้เราอยากแต่จะทำให้ใจเราอิ่มใจเราพอทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราเคยทำความอิ่มความพอก็จะกลับคืนขึ้นมาใหม่ทันทีนี่คือขั้นที่หนึ่งของการกำจัดความอยากต่างๆที่เราใช้เงินทองเป็นเครื่องมือตอบสนองความอยาก เราต้องเอาเงินทองที่ไปตอบสนองความอยากนี้เอาไปทำบุญทาทานหรือไม่เช่นนั้นก็จะเอาเก็บไว้ใช้กับของที่จำเป็นก็ได้ถ้าเรามีสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องซื้อแต่เรายังตอนนี้เรายังอาจจะไม่มีความจำเป็นแต่ในอนาคตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเราอาจจะตกงานตกกานไม่มีไรายได้เงินทองที่เราเก็บไว้ จากการที่จะเอาไปใช้กับของพุ่มเฟือยหรือจากการไปเที่ยวเงินทองเหล่านี้ก็จะมาช่วยดูแลชีวิตของเราได้ไม่ไม่ทำบุญก็ได้ทำบุญกับตัวเองก่อนก็ได้แต่ถ้ามีเหลือเฟือมากเกินไปก็เอาไปทำบุญต่อก็ได้แต่เป้าหมายสำคัญก็คืออย่าให้ความอยากเอาเงินทองไป อย่าปล่อยให้ความอยากดึงเงินทองที่เราหายากไปเพราะถ้ามันดึงไปได้มันจะดึงบ่อยอย่าดึงมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเอาเก็บไว้แล้วก็ถ้ามีเหลือมากก็เอาไปทำบุญเราก็จะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็อาจจะไม่ต้องไปทำงานมากก็ได้เพราะในเมื่อเราไม่ได้ใช้เงินทองมากเราก็ไม่ต้องหามาก เมื่อเราไม่หามากไม่ต้องทำงานมากเราก็จะมีเวลาที่จะไปรักษาศีลที่จะไปหัดภาวนาได้นี่คือขั้นที่หนึ่งนี้เป็นเหมือนกับเป็นการเปิดทางให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองและขั้นที่สามต่อไปเพราะการที่จะไปภาวนานี้จำเป็นที่จะต้องมีศีลแปด เป็นผู้สนับสนุนถึงจะมีเวลาถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้ก็จะไม่มีเวลาไปภาวนาเพราะถ้าถือศีลห้านี้ยังสามารถไปทํากิจกรรมต่างๆได้อยู่ยังสามารถกินดื่มรับประทานได้ทุกเวลาที่ต้องการยังสามารถไปดูมหโหสถ บ, บันเทิงอะไรต่างๆได้อยู่ ใบงานเลี้ยงได้อยู่เสริมสวยความงามของร่างกายได้อยู่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆได้อยู่นอนกับแฟนได้อยู่เมื่อไปทำกิจกรรมเหล่านี้เวลาที่เราจะไปใช้กับการภาวนาคือการหยุดความอยากด้วยสมาธิด้วยปัญญาก็จะไม่มีนั่นเองนงนั้น เราถ้าอยากจะไปภาวนาเราต้องหัดถือศีลแปดกันให้ได้เ<ม>บื้องต้นก็ต้องหัดถือศีลห้าให้ได้ก่อน<ม>ถ้าถือศีลห้ายังไม่ได้จะไปถือศีลแปดนี่ย่อมเป็นสิ่งที่ยากเหตนถ้าตอนนี้เรายังถือศีลห้าไม่ได้ก็มาหัดถือศีลห้ากันก่อนพอเราถือศีลห้าได้แล้ว เราก็เอามาถือศีลแปดในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปมีเข้าสังคมไม่ต้องไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็มาถือศีลแปดพอถือศีลแปดเราก็จะมีเวลาว่างที่จะไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญาได้ไปอยู่ที่สงบได้ การจะฝึกสมาธิฝึกปัญญานี้ต้องอาศัยที่สงบที่สงบส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามวัดวารามวัดที่มีการปฏิบัติคือวัดป่าวัดเขาถ้าเป็นวัดบ้านนี้จะไม่มีการปฏิบัติวัดบ้านนี้จะมีกิจกรรมทางบุญเสีอส่วนใหญ่คือบุญบังสังสวดัดมีการทำบุญทำทาน ถวายสังฆทานบางสกุลอะไรต่างๆการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะมารบกวนมาขัดกับการทำส ม, มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาฉั้นต้องไปอยู่วัดที่เขามีการปฏิบัติส ม, มถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะในระยะเริ่มต้นเรายังไม่รู้จักวิธีภาวนา เราก็ต้องไปเรียนอยากผู้ที่รู้วิธีภาวนาว่าวิธีทำสมถะภาวนาทำอย่างไรวิธีเจริญวิปัสสนาภาวนาทำอย่างไรก็สามารถไปเลือกตามวัดวารามต่างๆที่มีจัดหลักสูตรสั้นบ้างยาวบ้างบางแห่งก็สามวันสามคืนบางแห่งก็เจดวันเจ็ดคืน บางแห่งก็สิบวันสิบคืนถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีภาวนาเราก็ไปหัดกับหลักสูตรต่างๆได้แต่ละหลักสูตรนี้เขาจะบังคับให้ถือศีลแปดกันให้นุ่มขาวห่มขาวแล้วก็ให้งดกิจกรรมทางตาหูจมูกลื่นกายเช่นดูหนังดูละครร้องลำทำเพลง คือให้มีศีลแปดไม่ร่วมหลับนอนกันไม่กินอาหารมากจนเกินไปกินเพียงเชียงวันก็พอร่างกายอยู่ได้ไม่ตายดีซะอีกจะได้ลดน้ำหนักถ้าปล่อยให้กินบ่อยๆน้ำหนักมันจะเกินอยู่เลยถ้ามาถือศีลแปดแล้วร่างกายจะได้หุ่นขึ้น อ่า น, นี่เป็นประโยชน์อย่างหนึง่งนะนี่คือการถือศีลแปดเพื่อระ ง, งับทำกิจกรรมอื่นๆที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการกาจัดความอยากกาจัดความทุกข์นั่นเองให้มาทำกิจกรรมที่จะช่วยกาจัดความอยากกาจัดความทุกข์ให้หมดไปพอเราถือศีลแปดได้แล้วทีนี้ เขาก็จะสอนให้เราหัดจเจริญสติก่อนเพราะสตินี้เป็นเหตุหรือเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ใจสงบเป็นสมาธิถ้าไม่มีสติก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถที่ไม่มีเบรกเวลาเหยียบเบรกรถมันก็ไม่หยุดนถ้าต้องการให้รถหยุดก็ต้องไปซ่อมเบรกรถถึงจะพอมีเบรกแล้ว เวลาต้องการหยุดรถก็หยุดได้ใจเราก็เป็นเหมือนรถยนต์มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาวิ่งด้วยความคิดคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนี้นี่คิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องโ น, น้นคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเริ่มคิดแล้วคิดว่าจะทำอะไรดีไปไหนดีไปเที่ยวที่ไหนไปกินที่ไหนไปดูที่ไหนไปฟังที่ไหน ไปทำอะไรที่ไหนไปพบกับใครมันคิดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนมันไม่รู้จักหยุดคิดเพราะมันไม่มันไม่ได้ติดเบรกไใจไม่มีเบรกไม่มีสติที่มีกำลังพอที่จะหยุดความคิดได้พอใจไม่เคยหยุดคิดไม่เคยสงบก็ไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงสักทีเมื่อไม่มีความสุขที่แท้จริงก็เลยต้องไปหาความสุข อมไปก่อนความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรถนี่เป็นความสุขที่ง่ายและเร็วเพียงแต่คิดว่าจะไปกินที่ไหนพอรู้ปั๊บก็ขับรถไปได้แล้วไปถึงร้านก็สั่งมากินได้อยากจะดูอะไรก็ไปที่เขามีให้ดูก็ได้ความสุขทันทีอาจจะเป็นความสุขแบบฟาสต์ฟู้ดความสุขเดียวๆความสุขแป๊บเดียว พอกินเสร็จความสุขก็หายไปเดี๋ยวก็หิวเรื่องใหม่แล้ะอยากเรื่องใหม่พอกินเสร็จก็อยากจะไปดูหนังดูหนังเสร็จก็เดี๋ยวก็อยากจะไปซื้อของไปเดินชอปปิง้งแล้วก็อยากไปศูนสนุกหรืออยากจะเข้าผับเข้าบาร์ต่อมันจะมีความอยากเข้ามารอคิวอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราปล่อยให้ใจคิดมันก็จะคิดหามันก็จะคิดไปกับเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันก็ต้องมาวุ่นวายเพราะเรื่องราวเหล่านี้มันต้องใช้เงินทองก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์แล้วสิไม่ไม่สามารถทำตามความอยากได้พอตกงานไม่มีเงินใช้นี้ก็เศร้าแล้วเศร้าส้อยหงอยเหงาว้วาเว ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ไม่พะสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนฝูงได้เพราะไม่มีเงินไปแต่นี่เป็นผลที่ตามมาถ้าเราไม่ทำใจให้สงบใจเราจะหิวกับสิ่งต่างหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑะแล้วต่อให้เราได้มามากน้อยเพียงไ่มันก็ไม่อิ่มไม่พอได้มาเท่าไหร่ก็ยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย แล้วพอสะดุดไม่สามารถหาได้เวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าหาไม่ได้นานๆเขาก็ซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าหรืออาจจะเป็นโรคคิดฆ่าตัวตายก็มีเนี่ยนี่เป็นผลที่เกิดจากการไม่สร้างความสุขให้ขึ้นมาภายในใจไม่ฝึกไม่ฝึกจิตให้หยุดคิดให้จำทำจิตให้สงบ เพราะถ้าทำจิตให้สงบได้แล้วจิตจะมีความสุขมากจะมีความอิ่มมีความพอในตัวจะไม่หิวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้จะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่หิวกับคนนั่นคนนี้จะไม่ได้หิวกับการยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่หิวกับตำแหน่งต่างๆไม่หิวกับข้าวของเงินทองคนที่มีความสุขในใจแล้วไม่ต้องมีอะไร ความสุขในใจมันดีกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขทั้งปวงอันนี้แหละเป็นปัญหาของโลกทุกวันนี้โลกเราที่วุ่นวายกันที่มีเรื่องมีปัญหากันนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่สามารถสร้างความสุขในใจของตนเองให้เกิดขึ้นได้เท่านั้นเองเลยต้องไปหาความสุขข้างนอกกัน พอไปหาความสุขข้างนอกก็ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันไปแข่งขันกันไปแย่งกันแล้วทำไปทำมาก็อาจจะถึงขั้นทำสงครามกันทมัมสงครามเกิดขึ้นก็เพราะแต่ละประเทศต้องการเข้าของเงินทองมากขึ้นมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงประชากรของตนแต่ละประเทศก็ต้องการเหมือนกันเมื่อต้องไปแข่งกันแย่งกัน ก็ต้องใช้กำลังใครมีกำลังเหนือกว่าก็ชนะไปก็ได้ไปเราต้องมีการเข็นฆ่ากันฟันกันเบียดเบียนกันนี่เป็นปัญหาเกิดจากการที่ไม่รู้จักหยุดความคิดไม่รู้จักหยุดความอยากที่มีในใจไม่รู้จักสร้างความสุขสร้างความอิ่มความพอ ที่มีอยู่ในใจของทุกๆคนถ้าทุกคนรู้จักวิธีทำใจให้สงบโลกนี้จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันจะไม่มีการฆ่าฟันกันจะไม่มีการเบียดเบียนกันจะไม่มีคนเป็นโรคซึมเศร้าจะไม่มีคนเป็นบ้าจะไม่มีอาชญากรรมจะไม่มีอะไรต่างๆที่มีกันอยู่ในโลกนี้ ปัญหาออกมาจากตรงนี้เองลองที่ไม่รู้จักทําใจให้สุขไม่รู้จักทําใจให้สงบพอใจไม่สุขใจก็เลยต้องออกไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขแต่สิ่งต่างๆที่หามาได้มันให้ความสุขเดี๋ยวเดียวมันเลยทําให้ไม่พอต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเมื่อหามาเพิ่มมันก็จะไปเอาทรัพยากร ของผู้อื่นมาใช้เมื่อผู้อื่นเขาต้องการใช้ทรัพยากรอันเดียวกันก็ต้องมีการชิงดีชิงเด่นกันแข่งขันกันและในที่สุดก็อาจจะถึงกับแข่งแย่งกันฆ่าฟันกันขึ้นมาทำสงครามกันขึ้นมาถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกนี้เราจะเห็นว่าทุกยุคทุกสมัยมีสงครามอย่างนั้นเพราะ ทุกประเทศก็อยากที่จะได้ทรัพยากรของประเทศอื่นของตนเองมีไม่พอหรือมีน้อยก็ไปหาจากทรัพย์ของประเทศอื่นเห็นไหมพวกยุโรปสมัยก่อนอุตส่าห์นั่งเรือมาทางเอเชียทางแอฟริกาเเทางอเมริกาใต้เพราะมีทรัพยากรเยอะแล้วคนก็มีกำลังต่อสู้น้อย เพราะเป็นคนปา่าคนเขามีแต่ธนูมีแต่หอกพวกฝรั่งเขามีปืนมีลูกระเบิดมีปืนใหญ่พอยิงทีสองทีก็ยอมแพ้แล้วพอเขาชนะเขาก็เอาคนมาขนทรัพยากรต่างๆกลับไปที่ประเทศเขาอันนี้ก็เป็นเพราะความความผิวของใจของเขานั่นเอง แล้วเขาก็ไปสร้างเห็นัหดูปราสาทราชวังอะไรต่างๆ ส, สวยสดวิจิตรพิสดารมันก็เอามาเอาทรัพยากรจากประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าประเทศที่มีกำลังน้อยกว่าก็สรุปก็คือปลาใหญ่กินปลาน้อยคนโตรังแกเด็กคนโตตัวใหญ่กว่าก็รังแกเด็กได้ สามารถที่จะไปครอบครองประเทศของเขาได้อันนี้เป็นธรรมชาติของจิตใจที่ไม่มีธรรมะที่ไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ในใจนี้เองอยู่ที่การทำใจให้สงบนะพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่รู้ความจริงอันนี้ จึงมาสอนพวกเราชาวพุทธให้เราเข้ามาหาความสุขในใจกันด้วยการตัดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆไปด้วยการทำทานถ้ามีเงิน ท, ที่จะไปซื้อความสุขจากสิ่งต่างๆก็เอาไปทำทานเสียหรือเก็บเอาไว้อย่าเอาไปใช้ซื้อสิ่งต่างๆเพราะซื้อเท่าไหร่มาก็ไม่อิ่มไม่พอ เห็นไหมเสื้อผ้ามีกี่ชุดเนี่ยมีกี่ตู้อย่างงี้ดีกว่าแล้วร่างกายมีกี่ตัวร่างกายก็มีตัวเดียวมีร่างเดียวแต่เสื้อผ้าทําไมต้องมีถึงเป็นร้อยชุดเวลาใส่ก็ใส่ทีละชุดเท่านั้นเองแต่ความอยากมันหลอกว่าโอ้ยต้องมีหลายชุดจะได้เปลี่ยนจะได้ดูแปลกดีจะได้ดูมีบุคลิกดูแล้วสวยแล้วงาม ถ้าใส่ชุดซ้ำซากแล้วดูไม่สวยไม่งามมันก็หลอกไปมันก็ทําให้ทุกคนต้องแข่งแย่งชิงดีกันอต่ถ้าทุกคนมหาหัดฝึกสมาธิได้ทําใจให้สงบได้ทุกคนใส่ชุดขาวนี่คนละชุดพอละมีสองสามชุดก็อยู่ได้ละมีชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งไว้ซักเท่านั้นเองเสื้อผ้าก็มีเท่านี้แหละ แมของพระก็มีหนึ่งไต1หนึ่งสำรับมีผ้าสามผืนเรียกว่าผ้าไตรจีวรก็พอกับการใช้สอยแล้วคนที่มีความสุขภายในใจนี้จะไม่มีอะไรข้างนอกมากไม่ต้องมีอะไรมากพระพุทธเจ้ามีสมบัติแค่8ชิ้นมีบาทหนึ่งใบมีผ้าไตจีวรสผืนมีเข็มขัดรัดเอวหนึ่งเส้นมีเข็มกับได้ มีใบมีดโกนมีมีดโกนแล้วก็มีที่กรองน้ำเท่านี้ก็พอแล้วสาหรับผู้ที่มีความสุขในใจไม่ต้องหาอะไรมาให้ความสุขเพราะหาอะไรมาได้ก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้นี่คือประโยชน์ของการมาฝึกทําใจให้สงบเพื่อที่เราจะได้หยุดดิ้นหลน่นหยุดแสวงหาสิ่งต่างๆแล้ว หยุดความเสียใจหยุดความเศร้าใจเพราะว่าถ้าเราหาสิ่งต่างๆเวลาเราหาไม่ได้เราก็เสียใจเวลาเราหามาได้แล้วเวลาเสียไปเราก็เศร้าใจ mm. ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องจากเราไปเมื่อเขาไม่จากเราเราก็ต้องจากเขาไป mm. เพราะชีวิตของเรามันก็ไม่ถาวรร่างกายของเรามันก็อยู่ไม่เกินร้อยปีมันก็ต้องตายไป เบเน็ตเหนื่อยกับการหาสิ่งต่างๆมาแล้วไปทุกข์กับมันทำไมสู้มาหาความสุขที่ให้เรามีความอิ่มความพอไปตลอดไม่ดีกว่าเลยคือมาการฝึกทำใจให้สงบกันมาฝึกนั่งสมาธิกันจะนั่งสมาธิได้ต้องมีสติก่อนสติเป็นเบรกที่จะหยุดความคิดถ้าไม่มีเบรกนั่งไปมันก็ไม่หยุดคิด พอไม่หยุดคิดนั่งนั่นได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็เกิดอาการอึดอัดเพราะมันเริ่มคิดถึงขนมคิดถึงกาแฟคิดถึงเครื่องดื่มพอนั่งไปแล้วมันก็จะอยากขึ้นมาอยากขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมานั่งไม่ได้ต้องลุกไปทำตามความอยากแต่ถ้าคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ความอยากไม่เกิดใจก็จะเย็นจะสบายใจจะว่าง พอไม่มีคิดอะไรนใจว่างใจจะเบาที่ใจเราหนักเพราะอะไรเพราะความคิดนี่แหละหนักอกหนักใจเพราะคิดถึงคนนั่นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วก็เอามาแบกเอามาแบกด้วยความอยากอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หนักอกหนักใจขึ้นมาแต่พอหยุดคิดได้ อาการหนักอกหนักใจหายไปเหลือแต่ความเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจถ้านั่งหลับตาจิตนิ่งสงบเต็มที่ก็จิตก็จะมีความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องไปหาอะไรอีกต่อไปอยู่กับความสุขนี้ไปตลอด น, นี่คือขั้นที่หนึ่งของการทำใจให้สงบด้วยสติมันจะสงบเฉพาะเวลามีสติดึงให้เข้าไปในสมาธิแต่พอออกมาจากสมาธิเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดได้ถ้าไม่ใช้สติคอยควบคุมเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากเกิดความหิวเกิดอะไรขึ้นมาได้ถ้าอยากจะกำจัดความหิวความอยากให้หายไปอย่างถาวรก็ต้องหัดใช้ปัญญา สอนใจให้เห็นว่าการไปทําตามความอยากนี้มันไม่ได้พาให้เราไปสู่ความอิ่มความพอมีแต่จะทำให้เราอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยได้คืบก็อยากจะได้ศอกได้ศอกก็อยากจะได้วาแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเสียไปก็เศร้าใจสอนให้ใจเห็นโทษของการไปทําตามความอยากแล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไร อยู่กับความสงบดีกว่าอยู่กับความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิดีกว่าเพราะเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทำลายความสงบได้ความสงบที่เราได้จากสมาธินี้มันถูกความอยากคอยมาทำลายแต่พอเรามีปัญญาสอนใจให หยุดความอยากไม่ให้ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากที่จะมาทำลายความสงบก็จะไม่มีเมื่อไม่มีอะไรมาทำลายความสงบความสงบก็จะอยู่ไปตลอดอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ทำลายได้กำจัดความอยากต่างๆหมดไปจากใจของพระองค์แล้ว ใจของพระองค์ก็สงบมาตั้งแต่วันแผ่นเดือนหกนะเมื่อสองพันห้าร้อกว่าปีมาแล้วแล้วก็ยังสงบอยู่จนถึงวันนี้น่าจะสงบอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนใจของพวกเราที่หิวอยู่เรื่อยๆได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจะหิวอย่างนี้ไปจนถึงวันตายพอตายก็จะกลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะมาหาใหม่ เนืใจของพวกเรากลับมาเกิดกันไม่รู้กี่รอบแล้วในช่วงระยะา 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากธรรมะธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างยิ่งผู้ที่จะให้ธรรมะได้อย่างแท้จริงก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมบุคคลแรกก็คือพระพุทธเจ้า ลองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอาหารหันตสาวกพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้ที่ได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นําเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสรงสั่งสอนพอปฏิบัติเสร็จท่านก็บรุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกาจัดความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ท่านก็เลยมาเป็นผู้ให้ธรรมทานต่อไปหลังหลังจากนั้นก็มีการบันทึกธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์ทั้งหลายมาเป็นหนังสือให้พวกเราได้อ่านกันพวกเราถ้าอยากจะทำธรรมทานก็ทำได้ด้วยการช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันแต่ถ้าเรา อยากจะได้ธรรมะเราต้องปฏิบัติเพราะธรรมะที่อยู่ในหนังสือนี้เป็นเป็นเหมือนแผนที่ยังไม่ได้เป็นของจริงของจริงต้องอาศัยแผนที่พาไปเมื่อเราอ่านธรรมะแล้วรู้แล้วว่าวิธีที่จะพาให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรเราต้องปฏิบัติทำสามขั้นด้วยกันคือทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา เมื่อเรารูแผนที่แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องเดินเดินทางไปตามแผนที่เริ่มทําทานทุกครั้งอยากจะซื้อของตามความอยากไปเที่ยวอะไรต่างๆก็เอาเงินไปทําบุญทําทานรักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเราก็ไปหาที่สงบวิเวกไปหัดนั่งสมาธิไปหัดใช้ปัญญากันเดี๋ยวไม่นานเราก็สามารถที่จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆสร้างความสุขที่มีอยู่ในใจของเราให้ปรากฏขึ้นมาให้อยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็จะไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ต้องมาร้องหม่มร้องไห้เวลาสิ่งที่เราพึ่งต้องจากเราไปนี่คือเรื่องของการทําทานมีอยู่สีชนิดด้วยกันวัตถุทาน วิทยาทานอภัยฐ า, านและธรรมฐานก็ขอให้ทำกันตามความสามารถตามความเหมาะสมของแต่ละท่านก็แล้วกันแล้วจะนำไปสู่การรักษาศีลสู่การภาวนาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติอิชิตังปฏชิต um ังตุมหังคิปเมวาสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยถามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยเววัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธานิจจังวุฒาปจายโนจตารโห ธรร ม, มาวาทานติอายุวันโนสุขังภา ล, าลัตอนนี้เหลือเท่าไหร่หวันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาหนึ่ง้อยสี่เก้าครับ YouTube 285ปดห้าวิทยุออนไลน์ห8สิครับ รับฟังข้างบนนี้29คนรวมทั้งหมด531ครับอืมวันนี้วิทย์เยอะหน่อยนะ68ะเครื่องใช้ได้แล้วเลยนะี้ใช้ได้แล้วครับเห็นมีอประศักด์อยู่ละ 2-3 วันก่อนครับวันนี้แก้ได้แล้วเลยครับเมื่อวานเมื่อวานสิงหายเดยกเกสิงกันอออันนี้จังอยู่เลยนะ ตอนนี้ใครอยากจะถามคำถามขอเชิญถามได้เลยไม่ถามเองจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้เดี๋ยวมาเอาไมโครโฟนไปไหนไปเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เลยตรงที่ข้างเขานั่งกราบสอบถามพระอาจารย์นะครับอพอดีเมื่อกี้ที่นั่งปังเรื่องทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้ว เขผมถ้าถ้าความอยากวิธีที่ผมคิดเองถ้าเราหยุดคิดฝึกฝึกหยุดคิดนะฮะ อ, อันนี้เป็นวิธีหนึ่งด้วยปากขาผมใช่แต่ก็ยังเป็นวิธีชั่วคราวอยู่เพราะหยุดคิดมันก็ไม่ทุกแต่พอเราเผลอไปคิดเดี๋ยวมันก็อยากขึ้นมาต่อวิธีต่อไปก็ต้องสอนให้มันเลิกเลิกอยากด้วยเหตุผลทําไมเราไม่ควรอยาก เพราะความอยากมันจะพาเราไปสู่ความทุกข์นั่นเองแล้วแล้วถ้าเคยยินมาว่านอกจะฝึกหยุดคิดแล้วก็ปรุงแต่งคำเดียวกันปรุงแต่งเขาความคิดไงความคิดปรุงแต่งนี่เป็นคำเดียวกันคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งจะทำกับข้าวปรุงแต่งจะสร้างบ้านปรุงแต่งจะมีครอบครัวนี่ก็ความคิดปรุงแต่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวขออีกข้อนะครับพอดีว่าถ้าครัผมเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะปฏิบัติธรรมโดยที่อาจจะยังไม่พร้อมเรื่องการที่จะต้องหยุดหลายๆวันแล้วก็ต้องมาตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆฮะแต่ว่ า, ามีที่เป็นของตัวเอง <c oughs> อย่างอย่างสมมุติที่บ้านหรือที่คอนโดส่วนตัวแล้วกําหนดเองว่าเวลานี้เราก็เปิด youtube สมมติฟังรายการพระอาจารย์ก็นนะอแล้วเราก็ทําเองของเราเนี่ยฮะแต่ว่าอันนี้ยังติดอยู่ว่าคือเป็นคนที่แบบว่าเรื่องถ้านอนอะไรเนี่ยต้องเปิดแอร์ติดเรื่องเรื่องว่ายังยังติดร้อนอยู่ฮะถ้าเรายังอยู่อย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เราถือว่าเราปฏิบัติปฏิบัติถูกปะคือถ้ามันติดมันก็ทําให้ โอกาสของการปฏิบัติเรามันแคบลงเพราะว่าถ้าเกิดมันร้อนขึ้นมาเราก็จะปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าเราหัดปฏิบัติทั้งร้อนทั้งเย็นได้มันก็จะได้ไม่มีอุปสรรคแต่ถ้ามันร้อนจุดเกินไปเกินเหตุเกินผลร้อนแบบเหงื่อแตกพักไหลนี่จะเปิดแอร์เพื่อบรรเทาความร้อนมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไร แต่จะเปิดแต่จะเปิดให้มันเย็นเฉียบให้มันสุขให้มันสบายเปิดเพื่อเพื่อเพื่อสร้างความสุขก็ไม่ควรแต่ถ้าเปิดเพื่อบรรเทาความทุกข์อย่างพอที่จ ะ, ะทำได้อยู่ครับผมรอบสาธุครับนี่อยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเอาไมค์โฟนไปหน่อยช่วยพูดผ่านทางไม้หน่อยพูดใกล้ๆปากเลยจะได้ยินเสียง บางทีเวลาเราฟังใกล้ๆหน่อยได้ไหมบางที<ป>เวลาเราฟังธรรมแล้วอยู่ๆน้ําตามันไหลก็เรียกปิติไงปิติฟังแล้วบางทีเกิดปิติแล้วเราอายไปทาไมก็น้ําตาใครๆก็ร้องไห้มีคนร้องไห้กันทุกคนเลยนะถ้าเราไม่อยากจะร้องถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะร้องเราก็พุโทโธพุโทโธไป ควบควบอารมณ์หยุดหยุดอารมณ์ปิตินั้นได้ให้ดึงอารมณ์ไปที่ที่พุทธโธ <ทำ S 1> <ป>เลยให้อยู่กับพุทธโธไปดึงใจไปหยุดพุทธโธแล้วอารมณ์ที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังตอนนั้นมันก็จะหายไป mm hmm. แต่ถ้าเราจะปล่อยให้มันร้องก็เหม็นเสียหายแล้วไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนฟังแล้วมันมีความซาบซึ้งใจมีความสุขใจมันก็น้ําตาไหลก็ได้อื ไม่เสียหายไม่ใช่เป็นน้ำตาของความทุกข์นะไม่เป็นกิเลสแกอพ่อทุกคนทั้งนี้อยากจะถามไหมไม่เอานะเอาตังบ้านหน่อยทั้งนี้นะมีข้อความเลยส่งมาถามเองเลยก็ได้ขอให้พูดใกล้ปากหน่อย กับนมัสการอาจารย์เจ้าค่ะหนูมีความปรารถนาที่จะบวชไม่สึกแต่เนื่องจากต้องดูแลแม่จึงรู้สึกทรมานมากที่ไม่สามารถบวชได้เนื่องจากไม่ได้บวชในบางครั้งก็หลงทางเนื่องจากยิ่งศึกษาธรรมะก็ยิ่งมีความเข้าใจว่าหากยังต้องทํามากินอยู่มันปฏิบัติได้ยากละกิเลสได้ยากแต่เพราะตัดชาติได้สั้นลงได้ยากมันถูกธรรมชาติทางโลกเกิดเจ้าค่ะคนมีแนวทางอย่างไรเจ้าค่ะก็ทําเท่าที่เราทําได้ไปก่อนเนี่ย เราก็ไม่ได้เลี้ยงแม่ตลอด24ชั่วโมงช่วงไหนที่เราว่างเราก็ทําของเราไปตามที่เราเท่าที่เราจะทําได้ไปก่อนแล้วเดียวสักวันหนึ่งแม่ก็ต้องจากเราไปพอแม่จากเราไปนี่เราก็จะไปได้ของเราเองคิดเสียว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของของแม่ก็แล้วกันบุญคุณของแม่นี่ก็มีมากมีโอกาสได้ทดแทนก็ถือว่าได้ทําบุญ ฉันก็อย่าใจร้อนบางทีขับรถมังรถติดนะรถติดก็ต้องใจเย็นๆรอให้ไฟมันเขียวก่อนออชีวิตของคนเราบางคนมันไม่แน่มันไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่บนทางด่วนแล้วก็ไปพูดเดียวบางคนยังติดอยู่ข้างล่างอยู่ยังหาทางด่วนขึ้นไม่ได้ก็ต้องก็ต้องรอไฟเขียวไฟแดงไปก่อนทำไปตามหน้าที่ทําเท่าที่เราทําได้ อาจารย์เจ้าค่ะทุกครั้งที่หลงทางควรจะทํำยังไงเจ้าค่ะหลงทางถ้ามันรู้ว่าหลงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหามันอยู่ตรงที่มันหลงแล้วมันไม่รู้ว่ามันหลงนั่นิถ้าหลงทางรู้ก็ก็กลับไปหาทางที่ถูกสิถ้าเรารู้ว่าเราไปผิดทางแล้วก็เปลี่ยนทางกลับไปกลับไปดูแผนที่เราก็ต้องคอยฟังธรรมะคอยศึกษาธรรมะอยู่เรื่อยๆ แล้วตรวจสอบดูการกระทําของเราว่ามันตรงกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทาหรือไม่โอกาสที่จะหลงทางก็น้อยหรือถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เราสามารถปรึกษาได้ถามได้ก็จะเราก็จะได้เช็คดูว่าตอนนี้เราไปถูกทางหรือเปล่าเราต้องมีครูอาจารย์มีแผนที่นีเพราะเป็นทางที่เราไม่เคยเดินไป ถ้าเราไปเองไม่มีแผนที่เดี๋ยวเราหลงทางได้แต่ครูบาจารย์ไม่ต้องมาอยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงการฟังธรรมเนี่ยวันละชั่วโมงนี้ก็เหลือเฟือแล้วด้วยการอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆมันก็จะบอกเราเองว่าเรากำลังอยู่ไปในทิศทางที่ถูกหรือไม่โอกาสที่จะหลงทางนี้ อยากถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมมีการอ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆอย่าหลงตนเองว่าคิดว่าตนเองเก่งตนเองฉลาดไม่ต้องฟังใครแล้วถ้ามีความคิดอย่างนี้คอยรู้ว่าตอนนี้กำลังหลงทางนะหนูเวลาไปปฏิบัติเธอศีลแปดอยู่ที่วัดนะคะรู้สึกว่าทำทาได้ง่ายใจสงบมากแต่พอออกมาข้างนอกทะไรก็เป็นบ้า ก็ที่มันไม่เหมือนกันไงที่วัดที่สงบมันเอื้อต่อการทำใจให้สงบพอออกจากวัดมามาเจอสถานที่ที่วุ่นวายมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจเราวุ่นวายตามไปด้วยก็ต้องฝึกสติเวลาออกมาจากวัดก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเวลามีเหตุการณ์อะไร วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายตามเขาแล้วก็พุโทโธพุโทโธของเราไปครับค่พราะคุณความเมตตาหลวงพระอาจารย์เจ้ะค่ ะ, อ, ะอยากกถะทำไหมไหมเดี๋ยวขอขออีกนิดนึงครับพ ร, พระอาจารย์พอดีนั่งแล้วนึกได้เอ๊ะถ้าเกิดว่าของผมอืมเป็นคนไม่ค่อยเก่งเรื่องนั่งสมาธิฮะคือพระอาจารย์ก็เคยสอนว่าให้พยายามแต่พยายามกิดหลับนั่งไปแล้วก็จะ แล้วเดี๋ยวก็จะหลับถ้ายังหลับอยู่ก็ลุกขึ้นมาเดินก่อน เ, อเดินจงกรมให้เยอะๆหน่อย เ, อเดินจงกรมสร้างสติขึ้นมาครับ เ, <อ>เดินอย่าเดินเฉยๆนะเดินต้องมีสติควบคุมพุทโธพุทโธไปแล้วดูเท้าไป อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยไปแล้วจะมีสติมากขึ้นเวลานั่งก็จะไม่หลับแล้ว เ, เ, เ, <อ> เ, เถ้าเราต้องการแบบที่ว่า หลุดพ้นจากความทุกข์นะฮะแต่เราสมาธิอาจจะไม่ไม่ถึงระเก่งแต่ว่าพยายามฝึกอย่างที่เมื่อกี้บาอาจารย์บอกว่าเหมือนกับฝึกเรื่องความคิดเราพยายามเลิกฝึกทิ้งความคิดแล้วก็หาเหตุของความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราไปเน้นตรงทางนู้นเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นแนวทางได้ดูไหมครับหรือว่าจำเป็นต้องต้องมีสมาธิขั้นชาญนหนึ่งสองสามสี่อะไร อย่างี้มันตามคัามเขาใจถ้าไม่มีมันเหมือนคนไม่มีกําลังคนไม่ได้กินข้าวเนี่ยคนไม่ไปกินข้าวไปทํางานกับคนที่กินข้าวไปทํางานนี้มันต่างกันนะอย่างนั้นต้องมีทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันไปต้องควบคู่กันไปแต่ในสมัยพุทธกาลนี้มีไหมพัดที่แบบว่าคือเคยเคยฟังแบบอืเหมือนกับเคยนั่งฟังพระสูตรอะไรที่เขาบอกแบบพระ ผมจำชื่อไม่ได้ที่แบบเจอพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตัดบอกว่าให้เห็นสักแต่ว่าเ ห, เห็นได้แล้วเขาก็บรรลุเลยนะแสดงว่าเขามีสติมีสมาธิมากพอพระพุทธเจ้าแสดงปัญญาเขาก็สามารถนำอาไปห้ามใจเขาได้สอนใจให้เขาหยุดคิดหยุดอะไรได้แต่เขามีกําลังที่จะบอกให้ใจหยุดคิดได้มีสติมีอะไรอยู่แล้ว แต่เขาไม่รู้ว่าการคิดความอยากนี้เป็นปัญหาเท่านันเองพอพุทธเจามาบอกว่าความคิดความอยากของเราเป็นปัญหาอย่าไปคิดอย่าไปอยากความทุกข์ต่างๆก็จะหายไปหมดนะ mm hmm. mm hmm. แต่ถ้าเรารู้ตอนนี้แต่เรายังทำไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะไปหยุดความคิดหยุดความอยากนั่นเองครับขอบคุณครับ คำถามจากทาง Facebook ครับคำถามฝากถามมีน้องคนหนึ่งมาปรึกษาว่าพ่อทำตัวไม่ดีเลยนอกใจแม่น้องเขาเลยเกลียดพ่อมากๆเจ้าคะ่ะจะบอกน้องเขาอย่างไรดีเจ้าคะไม่ให้น้องเขาบาปไปมากกว่านี้คือเราต้องเข้าใจว่าคนเหล่านี้มันมีหลายมุมมองด้วยกันมี ในคนคนเดียวกันนี้มีหลายสถานภาพเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกนี่ก็เป็นสถานภาพหนึ่งเป็นคนดีไม่เป็นคนดีก็อีกสถานภาพหนึ่งเรื่อเราต้องรู้จักแยกแยะว่าเราเกี่ยวข้องกับเขาในสถานภาพไหนเราเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ในสถานภาพที่เขาเป็นพ่อแม่เราที่เขาเลี้ยงดูเรามาเขามีพระคุณกับเรา เราก็ต้องมีความกระตันอยู่กับเขาส่วนสถานภาพที่เขาดีหรือไม่ดีนั่นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งของเขาที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ได้มาทำให้เราดีหรือไม่ดีแต่อย่างใดนั้นส่วนนั้นเราก็ต้องแยกออกไปว่าเป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาก็จะรับผลดีของเขาเองเขาไม่ดีเขาก็จะรับผลไม่ดีของเขาเอง การที่เราจะไปเกลียดเขาแล้วก็ทำให้เราลืมหน้าที่ของเราต่อเขาอันนี้ก็เราก็ทำผิดแล้ว เ, เราต้องไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่ต่อให้พ่อแม่เป็นมหาโจรก็ตามาถึงแม้ไปติดคุกติดตารางบางทีก็ยังต้องไปเยี่ยมไปดูแลท่านในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่ได้ไปเยี่ยมมหาโจรแต่เราไปเยี่ยมพ่อแม่ ยันต้องรู้จักแบ่งแยกคนเราแต่ละคนนี่มีหลายสถานภาพด้วยกันสถานภาพของเขากับเรามันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องดูตรงนั้นส่วนสถานภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูมีความอยากในกามตัิหาเป็นอย่างมาก ใช้วิธีการลดด้วยการดูภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าคะ่ะหรือถ้ามีความอยากเกิดขึ้นมากจริงๆหนูก็ปล่อยตามอารมณ์แต่จะไม่ทำให้ผิดศีลกราบเรียนถามว่าหนูทำถูกต้องแล้วหรือยังเจ้าคะ่ะหรือควรแก้ไขอย่างไรดีก็ถ้าหนูสามารถควบคุมอารมณ์ได้กาจัดอารมณ์ได้ก็ถูกต้องอยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้ ถ้ายังเจอมันอยู่เรื่อยๆ ต, อต้องคอยแก้มันอยู่เรื่อยๆก็แสดงว่าวิธีที่เราใช้มันยังใช้ไม่ได้ดีไม่ดีเท่าที่ควรต้องใช้แบบที่มันไม่กลับมาเลยความอยากในการต่างๆเช่นถ้าเราอยากในคนอยากมีแฟนอยากอะไรนี้เราก็ต้องใช้อสุภาษณ์เท่านั้นต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่ามองแต่ส่วนที่สวยงามหันมองเข้าไปใต้ผิวหนังดู ใต้ผิวหน้ามีอะไรเนี่ยหน้าเรานี่ความจริงก็เป็นแค่เป็นหน้ากากบางๆครอบกระโหลกศีรษะไว้ท่านเองแต่เรามองไม่เห็นเราก็เลยหลงลักหน้าตาคนทั้งๆที่ไม่รู้ว่ากําลังไปลักโคกระโหลกศีรษะกระโหลกศีรษะมีใครไม่มีใครไม่มีบ้างมีด้วยกันทุกคนมีแต่หนังมาห่มห่อปกปิดเอาไว้เท่านั้นเอง เรวก็เลยไปหลงกับหนังที่มาหุ้มห่อกระโหลกศีรษะโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเรากําลังหลงทั้งกระโหลกศีรษะทั้งหนังที่หุ้มหอ่อเพราะมันมาด้วยกันถ้าเรามองอย่างนี้ต่อไปเห็นหน้าตาใครจะหล่อจะสวยยังไงก็พอมองใต้ก็ไปหน้ากากมันก็รู้ว่ามันก็แค่กระโหลกศีรษะนั่นเอง yeah. คําถามต่อไปจากคุณเพชร คนเราควรฝึกสติควบคู่กับฝึกสมาธิใช่ไหมครับอ๋อสติต้องมาก่อนไงพอมีสติก็นั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็จะวุ่นจะฟุ้งไงนั่งแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดได้นั่งก็จะนั่งได้นานนั่งได้สบายและสงบเย็นสบาย งั้นต้องมีสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้ถ้านั่งแล้วรู้สึกหลับหรือง่วงหรือฟุ้งซ่านนี่แสดงว่าสติไม่มีมีน้อยก็ควรที่จะลุกไปเจริญสติก่อนเดินจงกรมไปก่อนหรือถ้าจะนั่งสวดมนต์ไปก็เป็นวิธีเจริญสติสวดมนต์ไปยาวๆสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็จะมีสติแล้วก็นั่งต่อไปได้เหมดแล้วเนาะ มีถามไหมมันก็จะเป็นช่วงๆค่ะเวลามันฟงแล้มันก็แต่ก็จะมาหยุดพุทธโทอีกรอบนึงใช่เพราะถ้ไปใหม่ๆก็เป็นเหมือนเด็กอะ่ะเด็กที่จะหัดยืนเน่ะยืนได้เก้าสองเก้าก็ล้มลงไปคลานเอต้องฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปมันก็ยืนได้เองเดินได้เองวิ่งได้สติใหม่ๆก็จะล้มลุกคลุกขานาตั้งสติได้แป๊บนึงอาะหายไปแล้ว ไปคิดปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอรู้พอรู้สึกตัวขึ้นมาเอาไม่มีสติแล้วเนี่ยก็กลับมาเริ่มใหม่หัดฝึกทําไปนี้เรื่อยต้องอดทนต้องมีความเพียพรพยายามนอย่าไปคิดว่าทำปุ๊บจะได้ปั๊บสตินี่มันเป็นของที่สร้างกันขึ้นมายากถ้ง่ายก็เป็นผ้าอหารหันกันเต็มไปหมดแล้วแต่ต้องมีสติเป็นตัวนํา มีสติก็จะมีสมาธิตามมามีปัญญาตามมามีวิมุติหลุดพ้นตามมายันสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบสติเหมือนรอยเท้าช้างสัตว์ในป่าทั้งหมดนี้ไม่มีรอยเท้าของสัตว์อันไหนจะใหญ่กว่ารอยเท้าของช้างรอยเท้าของช้างนี่ครอบสัตว์ทุกชนิดได้หมดรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมด ธรรมะที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสติถ้าไม่มีสติแล้วธรรมะอย่างอื่นเกิดไม่ได้ยังต้องฝึกสติให้ได้ก่อนถ้าเป็นรถยนต์ก็เนี่ยกุญแจดอกเล็กๆ เ, เนี่ยสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดใช่ไมลอ็อกกุญแจาหายเดียวสิเขาเปิดประตูรถไม่ได้สตาร์ทรถไม่ได้แต่พอมีกุญแจดอกเล็กๆดอกเดียวพอ เสียบก็ไปในรูเปิดประตูปับ๊บเสียบก็ไปในเครื่องอสตาร์ทปุ๊บไปไหนได้แล้ะอะสติก็เหมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะดึงใจให้สร้างธรรมะต่างๆขึ้นมาต่อไปแต่สติตัวลำพังไม่สามารถพาให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพียงแต่เป็นองค์สำคัญเป็นกุญแจที่จะทำให้รถวิ่งได้พอรถวิ่งได้ก็จะพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายปลายทางได้หมดแล้วเลยโอเคหมดแล้วก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วนะคนก็กลับบ้านกันหมดแล้วมีพวกเราอยู่สองสามคนนี่ก็ขอให้ท่านจงนามวสิที่ได้ยินได้ฟังในพินิษย์พิจารณาไปปฏิบัติ